ทรงอนุญาตให้มีคนทำงานวัด619สมัยนั้นท่านพระพิรินทวัชชะทรงทูดไปยังสำนักพระผู้มีพระภาคให้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคว ร, รัตมีพระราชะประสงค์จะทรงถวายคนวัดข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้มีคนวัดแม้ครั้งที่สองพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมคุรัตเสด็จเข้าไปหาท่านพระปิรินทวัตชะถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้ทรงอภิวาสท่านพระปิรินทวัตชะแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมคุรัตผู้ประทับนั่งณที่สมควรแล้ว ได้ตรัสถามท่านพระกิรินทวัฒนว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้มีคนวัดแล้วหรือขอถวายพระพรทรงอนุญาตแล้วถ้าเช่นนั้นยมจะถวายคนวัดแก่พระคุณเจ้าเถ้าเธอทรงให้สัญญาที่จะถวายคนวัดแก่พระเทระแต่ทรงลืมเมื่อเวลาผ่านไปนานทรงระลึกได้ตรัสถามมหาอมาตย์ผู้สนองราชกิจคนหนึ่งว่า เราถวายคนวัดที่สัญญาไว้แก่พระคุณเจ้าแล้วหรือมหาอมาตกราบทูลว่าขอเดชะยังไม่ได้ถวายคนวัดแก่พระคุณเจ้าเลยผ่านมากี่วันแล้วมหาอมาตย์นับราตรีแล้วกราบทูลว่าขอเดชะผ่านมาห้าร้อยราตรีพระเจ้าพิมิสารจอมทัพมครรัฐรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นจงถวายคนวัดห้าร้อยคนแก่พระคุณเจ้ามหาอมาต รับพระราชะองค์การและจัดคนวัดไปถวายท่านพระปิรินทวัชชะจำนวนห้าคนตั้งหมู่บ้านขึ้นมาต่างหากมีชื่อเรียกว่าอารามิกะคามะบ้างปิรินทวัชชะคามะบ้าง620สมัยนั้นท่านพระปิรินทวัชชะเป็นพระประจําตระกูลในหมู่บ้านนั้นเช้าวันหนึ่งท่าน ทรงอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านปิลินทวัตชาสสมัยนั้นในหมู่บ้านนั้นกำลังมีมโหระศพพวกเด็กหญิงแต่งกายประดับดอกไม้เล่นอยู่พอดีท่านพระปิลินทวัตชะเที่ยวบินทบาทมาตามลำดับในหมู่บ้านปิลินทวัตชะมาถึงเรือนคนวัดคนหนึ่งครั้นถึงแล้วได้นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายขณะนั้นทิดาของสตรีคนวัด เห็นพวกเด็กอื่นแต่งกายประดับดอกไม้จึงร้องให้ขอว่าพ่อแม่โปรดให้ดอกไม้โปรดให้เครื่องประดับแก่หนูพระเทระถามสตรีนั้นว่าเด็กคนนี้อยากได้อะไรนางตอบว่าท่านผู้เจริญเด็กคนนี้เห็นพวกเด็กอื่นแต่งกายประดับดอกไม้จึงร้องให้ขอพวงดอกไม้และเครื่องประดับว่าพ่อแม่โปรดให้ดอกไม้ โปรดให้เครื่องประดับแก่หนูเราคนจนจะได้ดอกไม้และเครื่องประดับมาจากไหนกันท่านพระปิรินทวัชชะจึงหยิบสเวียนญ้าอันหนึ่งส่งให้พลางกล่าวว่าท่านจงสวมสเวียนญ้าอันนี้ที่ศีรษะเด็กหญิงนั้นหญิงคนวัดหยิบสเวียนญ้าสวมที่ศีรษะเด็กหญิงสวียนญ้ากลายเป็นพวงดอกไม้ทองคํางดงามน่าดูน่าชม พวงดอกไม้ทองคําอย่างนี้แม้ในพระราชฐานก็ยังไม่มีพวกชาวบ้านกราบทูลพระเจ้าพิพิสานว่าขอเดชะทเรือนคนวัดโน้นมีพวงดอกไม้ทองคํางดงามน่าดูน่าชมพวงดอกไม้ทองคําอย่างนี้แม้ในพระราชฐานก็ยังไม่มีขอเป็นคนเข็นใจจะได้มาจากไหนชลอยจะได้มาเพราะธรำจรกรรมเป็นแน่แท้ พระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้จองจําตระกูลคนวัดนั้นต่อมาชาววันที่สองท่านพระปิรินทวชชะทรงอันตรวาสกถือบาทและจีวรไปบินทบาทที่ปิรินทวชชคคำอีกเมื่อเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับในหมู่บ้านปิรินทวัชชะเดินผ่านไปทางที่คนวัดคนนั้นถามคนคุ้นเคยว่าครอบครัวคนวัดนี้ไปไหนชาวบ้านตอบว่า ครอบครัวนี้ถูกจองจำเพราะเรื่องพวงดอกไม้ทองคําเจ้าค่า621สมัยนั้นท่านพระปิรินทวัชชาเข้าไปถึงพระราชวเสตรของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัตครั้นถึงแล้วได้นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายลําดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัตเสด็จเข้าไปหาพระเทระจนถึงที่นั่งทรงอภิวาทแล้วประทับนั่งในที่สมควรท่านพระปิรินทวชชา ทูลถามพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมครัตว่าขอถวายพระพรครอบครัวคนวัดถูกจองจำเพราะเรื่องอะไรพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมครัตตรัสว่าที่บ้านเขามีพวงดอกไม้ทองคํำงดงามน่าดูน่าชมพวงดอกไม้ทองคําอย่างนี้แม้ในวังก็ยังไม่มีเขอเป็นคนจนจะได้มาจากไหนเชรอยจะได้มาเพราะทําโจรกรรมเป็นแน่แท้ ทีนั้นท่านพระปิรินทวชชาได้ธิฏฐานให้ปราสาทของพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมครัตเป็นทองคําปราสาทกลายเป็นทองคําไปทั้งหลังแล้วท่านก็ถวายพระพรว่าทองคํามากมายมหาอพิษฎได้มาจากไหนพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมครัตตรัสว่าโยมทราบแล้วนี่เป็นริธานุภาพของพระคุณเจ้าแล้วรับสั่งให้ปล่อยครอบครัวนั้นพวกชาวบ้านทราบข่าวว่า พระกุณเจ้าปิรินทวชชะแสดงอิทธิปฏิหารอันเป็นอุตริกมนุษธรรมในท่ามกลางราชบริษัทพากันพอใจเลื่อมใสนำเพศัตถคือเนอยใสเนยค้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยมาถวายตามปกติท่านพระปิรินทวชชะก็ได้เพศัตถ่าอยู่เสมอท่านจึงแบ่งเพศัตถให้บริษัทของท่านแต่บริษัทของท่านมากๆบรรจุเพศัตถที่ได้มาแล้ว ได้มาแล้วไว้ในตุ่มบ้างในหม้อน้ำบ้างจนเต็มแล้วเก็บไว้บรรจุลงในหม้อกรองน้ำบ้างในถุงย่ามบ้างแล้วแขวนไว้ที่หน้าต่างเพศสัตว์เหล่านั้นไหลเยิ้มซึมจึงมีสัตว์จาพวกหนูชุกชุมทั่ววิหารพวกชาวบ้านเที่ยวไปวิหารพบเข้าจึงพากันตำหนีประนามโผนทนาว่าพวกพระสมณะเชื้อสายสกยุตเหล่านี้มีเรือนคลังเก็บของเหมือนพระเจ้าปิปิสารจอมทัพมครรต พวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตําหนิประนามโพลนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพลนธนาว่าชะไหนภิกษุทั้งหลายจึงคิดเพื่อความมักมากเช่นนี้เล่าพรันภิกษุทั้งหลายตําหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ